ก็รัดจบนะหลวงพ่อกำขีนอยู่คจะยืนไมนหมหลวงพ่อกำกีนนาทีของเต้นหลวงพ่อกรมอยู่คยืนไหมหว่ากรมบอบอเม <c ười> <c ười> อกี้รมัดผิดหยุดจุดหนึ่งตอนเช้าเหมือนกันสเปสตาร์ก็ผิดมีความมีความมันขึ้นมาอยู่นั่นะ มันไม่ได้สวยมันธรรมดาว่าอะไรรูปนะ้ปะกระดูกจี้จี้ จ, จ, จอยู่ข้างในอากางหลังเวทนามกล้า <c oughs> เวลาเป่งเสียงลมไปดันเนี่ยนะจี้จี้จี้จี้ <c oughs> แล้วปอดเจ็บตรงนั้นเสพมหาจะขึ้นมาทันทีดักไม่ให้ออกเสียงกลไกของไก่นะอันวาก็สะดวกดูจุดนั้นนะส่วนการพูดการใช้สมองคิดไม่อยากใช้ มีความรู้สึกไม่อยากใช้เปลืองพลังงานมากช่วงนี้นะมันยิงยิ่งทาวัดแล้วก็เป็นสำเนียงเสียงให้มันเรียบๆธรรมดาเนะี่ยมันกล่อยมากเลยในความรู้สึกแต่ถ้าย ก, ย ก, ยกๆเซซักหน่อยนะมีลูกเอื้อนสักหน่อยนังมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมันชอบแบบนั้นนะเลยเข้าใจเวลาภาคกลางก็ทาวัดสวดมนต์มันมีนม เสียงโทนสมาธิแล้วก็มีการโยกเยกเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนตำนองเพลงไทยเดิมอะไรเงี้ย ه. มันมีรสชาติมันจะมีความปิตนิน้อยสงบ น, น้อยสุข น, น้อยนะกับการเล่นเสียงไปเล่นเสียงมามันไกลๆมันมีการเปลี่ยนที่นะแต่ละจุดแต่ะจุดที่ระบายออกมาเนะี่ยมันเปลี่ยน ตนเสียงมันได้พักเสียงหนึ่งแล้วก็ไปไอ้เสียงหนึ่งอย่างเงี้ยมีความสุขอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันก็คือเวลาเราใช้ความคิดเราสวดมันให้สังเกตมันเป็นลักษณะของนุสติมันก็จริงอ่ะนสติคือมันไม่ใช่สติเต็มร้อยตรงๆลงไปมันถูกแบ่งทันทีเลยเวลาขึ้นไปเค้นตรงจุดที่คิดอ่ะนะของเรามันตรงไหนไม่รู้แต่ของอาตมามันตรงซ้าย นะตรงตีก้ายเป็นตัวความคิดที่มันจิตๆิตออกมานะเป็นตัวเสียกสายได้ตรงแนี้เวลามันเกิดทีไรมันก็คือคิดทุกทีนะแล้วมันจะมีเงาเงาออกมาทางข้างหลังเวลามีอะไรซ้อนๆความคิดที่เราไม่ตั้งใจซ้อนๆออกมาแผลบออกมาอีเองนะเราสังเกตได้ในะตัวที่มาที่หลังเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจตัวนี้มันเกิดขึ้นเอง เลยเข้าใจว่าอ๋อเวลาเราสวดเราระลึกถึงพุทธานุสติมเป็นแค่เพียงนุสติทำนะรรมานุสตินั้นถึงธรรมะที่เป็นคําพูดเป็นภาษาสมมติอ้มเป็นนุสติสังฆะเหมือนกอันอ้อมเป็นนุสติมันไม่ใช่หมายถึงตัวสติเต็มร้อยนะมันเป็นการรู้แต่มันรู้ที่ถูกแบ่งนะมันไม่เต็มร้อย<ม>ก็เลยมีสติที่ควรระลึก ที่เรารู้กันหรือบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะพุทธานุสติธรรมานุสติอะไรสังขานุสติเราก็ระลึกถึงเจ้าเย็นเจ้าเย็นเจ้าเย็นสวดว่ า, า, าสวดมนมต์ธรมวัดนะหรือบางทีเราก็เจอลนะักษณะของนิมิต ท, นะที่เป็นภูมทรูปอย่างเนะงีย้ยนะเราก็ระลึกถึงอย่างเงี้ยระลึกถึงอตีตาลมนะอดีตเคยมี องสมเด็จสัมมาสูตเจ้าตัวจริงอยู่งอันนี้เป็นเพียงภาคตัวแทนเป็นวัตถุนะซึ่งไม่มีตัวตนที่เป็นความจริงแต่เป็นเพียงแค่ว่านิมิตให้เราได้ระลึกนะก็คือคิดเอาอนะนะบางคนถึงจะเห็นก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีความเคารพก็ได้อย่างงี้ยผธำก็เหมือนกัน <c oughs> พระสงฆ์ก็เหมือนกัน บางทีพระสงฆ์เราอาจจะไม่ได้ระลึกก็ได้นะเห็นภิกษุก็คือคนทั่วๆไปนะตะโกนหัวโกนคิ้วนุ่งผ้าเหลืองแล้วก็ยัติให้ถูกต้องตามพระธธรรมวินัยกรอบของพระธรรมวินัยที่กําหนดเอาไว้ในการบวชอย่างบวชแบบเสหังอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สมมติกันเราอาจจะไม่ได้ระลึกอาจจะมองเหมือนธรรมดาธรรมดาทั่วไปบางทีเกิดความรังเกียจได้ซ้ําไปแต่บางคนก็คิด ระลึกแล้วก็เป็นความดีความงามไปอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของพิธีเป็นความสุขไปก็ได้เหมือนกันก็จึงเป็นนุสสติต้องใช้วิธีคิดเอาด้วยช่วยกันแบ่งไปมันไม่ใช่ความรู้สึกเต็มลอยเหมือนกับเวลาเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี้ยเป็นสติเต็มลอยเลยหรือจารคสตนนินึกถึง การบริจาคเคยทำบุญทำทานเวลาเรามีปัญหาทุกใจส่วนใหญ่างมืนนึกไม่ได้ร้อยทั้งร้อยบุญเนี่ยเราลึกยากมากไอ้ที่มมนได้ตั้งใจเนี่ยแวบขึ้นมาเนี่ยโอ้ไวมากเลยลองสังเกตดูเถอะคนดีนที่ก็ดีอยู่9ก็ไม่ดีอยู่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามันนึกจังเลยอีก 99.99% 99เนี่ยมองไม่เห็นอะไรงมันก็มีเหมือนกัน ความไม่ดีในตัวเราก็เหมือนกันบางทีปฏิบัตินะความดีแย่ๆไปทําละลึกไม่ได้แต่สิ่งไม่ดีนะปรากฏขึ้นมานะทำไมทําไมมนะลองรอยต่างๆในชีวิตลอยเล็กนิดเดียวแต่โหมันเหมือนยิงใหญ่มากนะยิงย้ำคิดย้ำทำมมําสมกม่นกนะันมาเนี่ยเดี๋ยวยายเป็นไฟไม่กว้างเลยไม่ขีดหัวเดียวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอ่อเวลารู้สึกตัวมันก็ตัดทันทีตัดทันทีนะ จากหนุสติเทวตานุสติอย่างเงี้ยทำให้คนเขาอยู่เย็นเป็นสุขทําให้คนธรรมดาเกิดความเป็นเทวดาขึ้นมาใจดีใจงามขึ้นมาอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาสอนลูกลูกดีขึ้นทําให้เขาจากเด็กที่ไรเดียงสาเป็นมีเดียงสาขึ้นมามีศาละขึ้นมากับชีวิตอย่างเงี้ยอ๋อก็ทําให้คนเป็นเทวดาทําให้คนอีกคนหนึ่งดีขึ้นมา เห็นคนก็ไม่ไม่ค่อยจะมีที่พึ่งมามามาอยู่วัดด้วยกันบวชเธอบวชเธออะไรเงี้ยขาก็อ๋อได้บวชได้อยู่วัดอยู่วาปฏิบัติธรรมเงี้ยเออเรานึกถึงอย่างนงี้แล้วก็สดชื่นชื่นใจใจเป็นบุญขึ้นมาแต่เป็นเพียงแค่นุดสติหรือว่าเราลึกถึงถ้าจะเป็นตัวสติแท้มันก็มีเหมือนกันก า, กาย คาตาสติอย่างนี้นึกถึงกายของเราว่ามันไม่งามมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นเรื่องของอสุพะอะไรต่างๆนันนมันเป็นการปล่อยการวางเหมือนกันมันเบื่อหน่ายปรง่งมาเลยมันปรง่งโปร่งสังขารแต่ก็ต้องใช้วิธีคิดแต่เป็นวิธีคิดที่ข้าเคราให้เป็นเรื่องของสติเลยถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันไม่อยากได้อยากดีมันเหี่ยวเหียวไปเลย คิดถึงว่าจะต้องตายในวันพรุ่งนี้สามวันข้างหน้านะมันมันไม่อยากทําอะไรแล้วนะให้สังเกตเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีนะจะมีจุดหนึ่งที่เราเหมือนกันนักโทษทหารเคยสังเกตนักโทษทหารอย่างเช่นบางขวางไงเงี้ยเราสังเกตดูนะนักโทษเนี่ยกินข้าวให้สั่งของที่ดีที่สุดไม่กินกินไม่ลง ให้นอนอนอนให้หลับนะนอนนอนไม่ลงนอนอยังไงก็นอนไม่หลับนะอยากทําอะไรที่สุดในเวลานั้นนะหลายคนถ้าเลือกได้ก็อยากบวชหลายคนเลือกได้ก็อยากกลับบ้านไปกราบแม่ไปกอดแม่ขอโทษนะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะแต่คนติดบุหรี่ขอบุหรี่ตัวหนึ่งสูบบุหรี่อยนะ่างนี้ นึกถึงความตายบางทีเราก็เป็นอย่างนั้นนะมาธรรมอยู่วัดกุฏิก็ดีสาราก็ดีที่นอนก็ดีแต่ว่านอนไม่หลับบางทีกินก็กินไม่ลงข้าวอาหารก็ดีกับข้าวก็ดีกินไม่ลงมันก็บอกเหมือนกับเป็นนักโทษประหารแล้วล่ะเเราก็เลยเพียงแค่ว่าอะพยามีสติการเคียวการกลืน ขออยู่ห น, าน้าเราก็เคี้ยวเคียวเคยวถึงมันไม่อยากกินก็กินเข้าไปถึงแม้ไม่มรู้ปากถูกรดถูกริ้นไม่เป็นไรก็ตัดใจปากเคี้ยวเคียวเยวเย ว, เยวอาหารสังเกตดูก็มีคุณค่าอยู่ผักปลอสารพิษอะไรอย่างนี้นหรือว่าน้ําแกงจืดๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเราก็มีสติ ก, กตีกับการตักการกินการเคี้ยวการเกินอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ไม่ได้เป็นนักโทษมาหาเราเราฝึกตนฝึกตน ไม่ขวนขวายยอมรับสภาพนะอะไรก็ได้นะนึกถึงนะลมหายใจนะมีลมหายใจนะเรียกว่าอาณาปานสติการที่เรารู้ลมหายใจเขาออกก็ส่งค่อยเป็นสติรเซนลยใครรู้การกระทบสัมผัส ข, ของลมหายใจนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตมันก็ไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเลยนะนะมันรู้สึกแต่มันเบาเท่านั้นเอง ลมหายใจมันเบากรณนนีพอมันเบาปั๊บเนี่ยมันก็การระลึกรู้สติมันก็ไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันมีกําลังก็คงจะตามรู้มาทั้งชีวิตแล้วนะเพราะว่าหายใจมาทั้งชีวิตนะตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือนะให้มันเจตนากระทําลงไปเดินจงกรมลงไปเพื่อให้นะสติน้อยๆ น, นะมันรู้ของหยาบๆนะเราก็ใจได้เลยอ๋อมันเป็นสติตรงนี้เอง เวลามันรู้สึกตัวเป้าตัวโตเคลื่อนไหวหนักหนักหยาบๆยากระแทกแรงแงลงไปอย่างเงี้ยบางทีมันแก้ตัวง่วงได้มันแก้ตัวเบื่อได้พอใส่เจดนาลงไปสักพักหนึ่งมีสมาธิเกิดขึ้นมาครั้งนี้ก็เบาเอย่างเช่นมีพระมาเย็ยนลองสอบอารมณ์ดูรูปหนึ่งเห็นท่านเดินมาหลายวันแล้วก็เดินจริงๆสี่ทุ่มประมาณสีออ่ทุ่มท่านนอนจำวัดนะก็สังเกตตอนเช้าตื่นมาท่านก็นตีสาม ท่านก็เดินแล้วอ่ะทำไมมันแรงดีขนาดนั้นแล้วฉันข้าวมือเดียวมาตลอดเลยข้าวก็ฉันมือเดียวไมุ่่นใยถึงเวลาก็นั่งเงียบๆ ย, ยกมือสร่างยังว่าไปเดินจกมกรมก็เห็นอยู่อย่างนี้ทุกวันเลยเป็นเวลานานแล้วด้วยประดี๋ท่านเดินผ่านมาก็เลยสอบถามท่านใจก็คิดว่าทาไมเดินมาจะไม่เดินเข้าไปให้เดินมามีอะไรก็พูดมา ท่านก็นมาใกล้ๆก็เลยออกอุบายให้ท่านเก็บใบไม้ตรงนั้นนิดหนึ่งถามเป็นไงบ้างท่านก็นบอกว่าสบายดีครับทําไมถึงเดินได้ตั้งแต่เช้ายันสี่ทุ่มทุกวันทุกวันผมเดินแล้วผมมีความสุขครับอาจารย์ผมเดินแล้วมีความสุขมันเย็นเย็นอกเย็นใจ ใจมันเย็นมันเย็นที่กลางอกเนี่ยมันสว่างมันเย็นมันมีความสุขนีนละก็คืออารมณ์ปฏิบัติแะนะอารมณ์ปฏิบัติก็คือตัวนี้แหละ เ, เวลาดูกายดูวางกายถูกต้องหลายๆวันก็จิตก็มีกำลังสมาธิมันจะรู้สึกสงบเย็นเป็นอาการเกิดขึ้นมาในจิตในใจ จะกนดรู้อารมณ์รูปน้ําธรรมดาธรรมดานี่แหลนะการเคลื่อนการไหวนี่แหละถ้ามันเข้าล่องเข้าลอยเข้าล็อกแล้วมันจะเย็นยิ่งปฏิบัติเนี่เหมือนกับจิตมันเงียบมากเลยฮะมันส่วนตัวนะมันเป็นีวิตส่วนตัวมันอธิบายมันจะอธิบายได้ยังไงตรงนี้มันเป็นเรื่องของตัวเองส่วนตัวมันเคยร้อนบุบนะได้ยินทางรถ เสียงกลิ่นพวกนี้มันกระทบมันสัมผัสอย่างเงี้ยนะมันก็กลายเป็นเรื่องที่ร้นนอนรุบออกไปนอกสนใจนนแล้วก็ปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวนี้มันก็ละตัวกันพอเรารู้สึกมันอยู่กับตัวรู้เนื้อรูร้ตัวนะสภาวะนะที่มันปรากฏเองนะมันมีอยู่ความเป็นปกตินะมันมีอยู่แต่ว่าจะบอกกันได้ยังไงถ้าไม่ลงมือทำนะเพราะนั้ น, นในลักษณะของลมหายใจ มันก็ดีแต่ว่าที่นี่เราเคลื่อนไม้เคลื่อนมือเคลื่อนไหวกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวมันชัดเจนท้ายสุดแล้วพอมันเป็นแล้วจะดูลมหายใจก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกเพราะว่าไอตัวปกติมันแสดงผลออกมาแล้วนะลมหายใจซึ่งละเอียดละเอียดกระทบเบาเบมันก็รู้สึกชัดมันกลายเป็นของหยาบเหมือนกันนั่นแหละขนาดความคิดยังรู้ทันเป็นของหยาบได้เลยไงมันลมหายใจกระทบกันเลยหยาบเบาเบนะแต่ว่า การเคลื่อนไหวนะการนั่งการเดินการยืนการนอนนะตัวนี้นะจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ในหะ้เข้ากับกายยะกตาสติก็ไดนะ้เป็นเรื่องการเห็นกายว่าเป็นก้อนทุกข์ว่าไม่งามพวกนี้นะแต่ว่าไม่ต้องสงเคราะห์ก็ได้มันคือความรู้สึกตัวนั่นแหละขณะเคลื่อนไหวนะมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะมันจะเข้ากับหมวดไหนก็ช่างมันเถอนะอย่างเงี้ยก็เป็นว่าเคลื่อนไหวรู้สึกก็แล้วกันไม่ต้องอธิบายต่อก็จบสั้นๆนะี่ ต่อมาก็คือสติที่เรารนะะลึกเรียกว่าระลึกถึงคุณของพระนิพพานเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์มันเป็นยังไงะระลึกว่านิพพานมีจริงอย่างนี้นิพพานเป็นเรื่องของความพ้นทุกข์ที่มนุษย์หรือปุถุชนทั่วๆไปนะชีวิตที่เหลืออยู่ควรเดินให้ถึงนะก็เป็นความคิดอีกอะไรเรียกว่านุสสติ มันไม่ใช่สติแท้ๆนะเพราะวันนิพานในขณะที่เราคิดถึงปณิพานมันยังไม่มีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นการปรากฏก็คือนะ่ะละความรู้สึกตัวแต่ละขณะอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องอลงมือกระทาลงไปการเคลื่อนกันไวา้แล้วก็จึงนี่แหละได้นะมันก็ว่ามีประสบการณ์ทุกวันหนะยาบหยาบแล้วก็ไปหาละเอียดมันก็จึงเป็นศิลปะในการดารงชีวิตนะ มันเป็นยังไงที่เราศิลปับปาในการดํารงชีวิตว่าเราเกี่ยวข้องกับบุคคล ส, สองคนขึ้นไปนะเกี่ยวข้องกับวัตถนะุนอกจากกายของเราจะมีวัตถุอีกมากมายที่เป็นรูปธรรมที่เราต้องเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นเรื่องของความดีแล้วก็นะต้องทำนั่นแหละอะไรที่เป็นความดีกิจวัตรประจําวันต่างๆนะการเกี่ยวข้องนะเป็นสันติสุขสันิพัฒน์นี่นะนะมันก็คือความดีนั่นแหละแต่ว่ามันมีเหนือดี เนืดีมันมีอยู่อันนี้ก็คือความเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาที่มันไม่มีอะไรเป็นกรรมมันมีแต่ธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นแต่าหากว่ารู้สึกตัวจนกทั้งมันได้คําตอบในการแรกก็คือเอารูปนามเป็นอารมณ์ให้ได้ซะก่อนคําตอบแรกให้รู้ไอ้ที่ทำเนี่ยเคลื่อนไหวนะี่คืออะไรก็คือการกําหนดรู้อารมณ์รูปนามกรมฐานบทที่1อนุบาลก็คือต้องกําหนดรู้อารมณ์รูปนามให้เป็น รูปธรรมที่มเป็นดุนเป็นก้อนแล้วมันก็มีความรู้สึกซึงเป็นนามธรรมนะตัวกายญาณวิญญาณเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลเราเขามันไม่ใช่ความจําแต่มันทําจนกระทั่งมันเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นขณะต่อขณะขณะต่อขณะขณะต่อขณะที่ยิบเลยจากยาไปหาละเอียดเห็นกายในกายไม่ใช่เราไม่ใช่สตัตร์ตัวตนบุคคลเราเขา มันไม่ใช่ภาษาพูดแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แบบไม่มีคําว่าวิพาษ์วิจาร์วิตกวิจารณ์รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบตรงนี้มันเป็นสัมผัสมันเป็นความรู้สึกมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับมันไม่ใช่คำพูดมันก็เป็นปรมัติตอยู่ในตัวของมันทันทีทันใดแต่ทาเป็นคําพูดอย่างเช่นว่าบางทีเราเคลื่อนอาจจะมีคําบริการมอะไนะสมัยก่อนมันมีเนี่ย ก่อนที่หลวงพุทธเทียนจะมาฝึกมันมีตินงนิ่งขยับทียงกับติงหยุดทียงกันิ่งเคลื่อนทียงกัติงหยุดเคลื่อนกันิ่งบริกรรมไปด้วยติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งอย่างเงี้ยทั้งเคลื่อนทั้งคิดบนไปด้วยตามไปด้วยแต่ว่ามันเป็นการพูดเป็นความคิดที่มันไม่ใ้โทษ ติงนิ่งเนี่ยเป็นคำกลางๆถึงมันจะคิดมันก็คิดแล้วก็เฉยๆนะมันไม่ให้ไม่ให้ความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบมันเพียงแค่ติงเฉยๆนิ่งเฉยๆแต่มันเป็นสมมติแต่ในขณะที่สัมผัสและจบสัมผัสและจบเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันก็ไม่ให้บวกหรือว่าลบ มันไม่เหมือนกับคนอื่นมาสัมผัส เ, เราเราไปสัมผัสคนอื่น้าไม่มีสติอาจจะเป็นบวกเป็นลบมันมีอยู่มันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่ละขณะแต่ละขณะมันไม่ได้มีคุณไม่ได้มีโทษอะไรยิ่งเราไม่ได้หลงเข้าไปในความรู้สึกนี้นเป็นวิปัสสนาทันทีแต่ถ้าหลงเข้าไปจับในความรู้สึกถึงมันจะเฉยเฉยแต่มันก็เป็นสมถะอย่างเงี้ย มันจึงมีส ม, มถะวิปัสนาทำถูกก็เป็นวิปัสนาทำไม่ถูกก็เป็นส ม, มถะแต่ถ้ามีส ม, มถะมันก็มีวิปัสนาถ้าไม่มีส ม, มถะมันก็ไม่มีวิปัสนาเริ่มตนม้นก็จะมีทั้งส ม, มถะและวิปัสนาก็เลยสังเกตไหมผู้ใหม่เวลาปฏิบัติจะมีบางทีก็หนักหนักรู้สึกตัวอยู่หนักหนักแต่บางทีมันก็เบาเบาบางทีมันก็โลง่งโล่งเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นอาการอะไรเราไม่ต้องใส่ภาษาลงไปนะ ถือว่าทําถูกแล้วเวลาทําแล้วรู้สึกมันผ่อนคลายมันสบายมันธรรมดาธรรมดาทําถูกแล้วนะวางกายก็ถูกวางใจก็ถูกทําแบบไม่ได้เอาอะไรมันทําแล้วไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมันไม่ได้มีผลเป็นความพอใจไม่พอใจสุขสุขทุกข์ทุกข์มันไม่ใช่อย่างนั้นมันจบแล้วก็แล้วไปนะรู้สึกครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งจบแล้วก็แล้วไปผ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจึงไม่ได้ใจความคิดอะไรแม้แต่นิดเดียวปฏิบัติทำ จะคิดถึงคุณพระนิพานก็ไม่ต้องไปคิดเป็นเพียงแค่นุสติเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นการทรวัดสวดมนต์เนี่ยมันก็ดีนะมันมีการระลึกแบบนุสตนะิแต่ถ้าจะทำให้เป็นสติปัฏฐานล้วนๆก็คืออาการอะไรที่เกิดขึ้นมามันก็ต้องรู้เท่ารู้ทันตามความเป็นจริงนะก็คือกายเวณาจิตทำอยู่ดีนะเป็นไปไม่ได้ที่เนะมื่อกี้ทาวัดแล้วจะไม่ให้เจ็บเพราะมันเจ็บอยู่เป็นไปไม่ได้ทาวัดแล้วจะให้ลมหายใจมันลาบรื่น เพราะว่าลมมันยังไม่สะดวกอยู่อันๆอยู่แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมาเมาความพอใจหรือว่าไม่พอใจกับการในการทำวัสวดสวดมนต์ทิ้งหมดอะไรมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดก็แล้วแต่มันแล้วไม่ใช่เรื่องเราบางังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าจะบงังคับบัญชาได้ต้องใช้โทนสมาธิโทนสมาธิเราก็ต้องเปลี่ยนลายเสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าทําวัดเสียงทื่อๆธรรมดาไมไม่ใช่แน่นอน จะต้องหลบไปหลบมาหลบเสียงนะเพื่อที่ให้เกิดความกคมเกลือนในช่องคอนะอารหังส ม, มาสัมปุโตปะกวากลายเป็นศิละปะในการออกเสียงไปเลยมันไม่ใช่ถือถ่อๆเร็วๆแต่ที่นี่เราทํานิยมทําเร็วๆเพราะว่ารู้ในความหมายแล้วทิ้งทันทีรู้ความหมายแล้วทิ้งทันทีตอนหลังหายใจไม่ทั น, นทําเร็วๆนะแต่ตอนบวชใหม่ๆอ่ะละ่ะโอ้ยทันกำลังหนมนกำลังแน่นกําลังไฟแรงนะ ลมหายใจนี่ยาวเคยเป่าคลยเนะเคยเล่นดนตรีมาเครื่องเป่าอะเคยเป่าอย่างนี้นะฝึกนักเป่าคลยที่ดีนะจะต้องเอาสายบัวเด็ดหัวเด็ดท้ายอันนี้พ่อฝึกไว้ให้เสร็จแล้วก็ไปนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปให้เต็มแล้วก็ระบายออกมาให้น้ำ มันปุดปุดเป็นฟองออกมาแล้วอย่าให้ขาดครื่องชั่งมอง อ, อย่าให้ขาดทาได้ไหมก็คืออย่างนี้ไงหายใจเข้าใช่ัหมแล้วก็พ่นขณะที่พ่นไปเรื่อยๆระบายไปเรื่อยๆอมไว้ที่กระพุ้งแก้มอีกแล้วพอมันใกล้หมดนะเอากะพุ้งแก้มนะบีบออกไป แล้วก็หายใจเข้าหมายถึงว่าขนาดที่เบียบเราก็หายใจสวนเข้าไปด้วยแล้วก็พอหายใจสวนเข้าไปลมที่แก้มก็จะหมดเราก็ใช้ลมหายใจต่อได้เลยลมที่เกิดจากลมหายใจเป็นอย่างเงี้ยก็เคยฝึกมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วแค่พูดประโยคนึงเนี่ยมันมันลมหายใจไม่มีนี่คือโรคของกายโรคของกายที่เส้นเอ็น การเก็การเก่งระบบปรนะสาทเชื่อว่ามันไม่ปกติเอามากๆตอนนี้พออายุที่มันเข้า50สิบขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่40แล้วผู้ชายนะถ้าใช้กำลังมาใช้แรงกายแรงใจมาเต็มทีนะ่มันไปแล้วพอ4ี่ิบขึ้นนี่ไม่ได้ดูแลเนะเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องซ่อมแซมอย่างหนักนะต้องดูแลกันอย่างหนักไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาแล้ว มันจใจนำทำมาสวดมน์ก็คิดว่าไม่หมองอย่างยิ่งนีแต่บังเอิญว่าขาที่เป็นขาประจําไม่มาอาจารย์สุรินนักมาก่อหลวงพ่อจาหลวงพ่อจาก็ไม่อยู่หรือว่าอาจารย์สุรินก็จากทําวัดไม่ค่อยชํานาญเดี๋ยวนี้ชำนาญขึ้นมาสูงภไยในสองปีนี่ก็ถือว่าปล่อยได้เลยชอบสวดมน์อย่างเงี้ยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้สวดมน์ถ้าให้เลือกได้จะไม่สวด เลือกได้อะไรนะเ อ, เออแต่เลือกได้นะจะไม่สวดเลยละ่ะจากนั่งเฉยๆดูมันไม่ใช่ความขี้เกียจ ด, ด้วยแต่รู้ว่าถ้าใช้ก็จะเป็นอย่างเงี้นะยญาติโยเมเอ้ยเพราะนั้นเวลาทําวัดสวดมนตนะ์เป็นไปได้นะช่วยโหมกันหน่อยช่วยกันออกเรี่ยวออกแรงแปลงเสียงหน่อยมันรู้สึกจะมีพลังนะใครได้ยินได้ฟังนะเขาจะรู้สึกโอ้ ทำวัดสวดมนต์กันโอมีพลังมากเลยเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นคนที่โอ้ตะเบงทำวัดสวดมนต์นนะจนหลายคนบอกไม่ต้องเปิดเครื่องเสียงดังนะมันแตรหูอะไรเงี้ยอยากจะให้ชาวบ้านนะได้เย็มทั้งหมู่บ้านเลยแข่งกันนะชาวบ้านนะพอถึงมงมงมงมงโอ้สาธุจิตใจเป็นบุญใช่ไหมพอมีการสวดมนต์ทำวัดนะโอ้ได้เย็นกันมันยิ่งเป็นบรรยากาศเหมือนเวลา อิสลามก็นึกถึงพันล่อก็สวดมนต์อย่างเงี้ยนะเา <c oughs> ก็ดังกระจายฟังและหวยหวยัวดีฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่ารู้สึกเวลาไปเนี่ยบ้านของของใหม่ของธนากรเนี่ยของโฮบของฮอลลี่นะี่คุณพอ น, านาันัยในคุณบุญทวีนะที่นั่นมีกุฏหลวงพ่อกำเขียนอยู่ที่กอนลันตาเนะคียขึ้นไปกับหลวงตะกรมเนี่ยแหละกนะยไปกันเสร็จแล้ว เขาสวดตอนเย็นเย็นตอนเช้าๆขนาดเราฟังไม่รู้เรื่องเราอยาังศรัทธานะศรัทธาในเสียงสวดของเขาก็สวดแบบเย็นเพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินเสียงสวดเนะี่ยเชื่อว่าเวลาสวดมีผลกระทบต่อจิตใจด้วยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังขึ้นนะของการออกเสียงสวดมนนะมันเป็นโทนสมาธนะิมันมีความสุขอยู่ในนั้นนะเสียงนะ่ะ อย่างชาวทิเบตเขามีการสวดมนต์กันประกอบดนตรีด้วยนะจะเป่าแตรายาวเชียีก็เป่ากระดูกสัตว์กนะระดูกคนก็มีเป่าเสียงสอดคล้องไปกระการสวดด้วยมีการตีฉาบมีกลองอยง่สวดไปด้วยเคาะไปด้วยมันเป็นบรรยากาศนะทําให้ <c oughs> <c oughs> การทําบัดรสวดมนต์นมันมีคล้ายๆกับพลังพลัง แล้วพระทีิเบียที่สวดมนต์บ่อยๆวัดคลื่นสมองปรากฏว่ามีความสุขมากที่สุดในโลกเลยอย่างเงี้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์ก็มีผลเหมือนกันนะเช่นทําให้เรารู้อัตถะพระยันชนะเอง น, นนะคำสวดภาษาบาลีภาษาไทยนะรู้อัตถะความลึกซึ้งของความหมายทันที่จะบาลีแล้วก็ไม่รู้เรื่องเราได้รู้อ๋อความลึกซึ้งของภาษาเป็นอย่างเงี้ยณนะโมตะะัสัย นัคือน้ำโมคือดินนัคือแม่โมคือพ่อนัคืออ่อนโมคือแข็งมันเป็นเรื่องที่ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวสิ่งดีงามเหล่านี้เป็นความดีความงามต้องน้อมเข้ามานัโมข อ, อนอบน้อมเข้ามาใส่ตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่างๆเป็นคุณของเตชะเป็นตบะเป็นธ่รมคุณเป็นทั้งประเดต่างๆเราก็อ๋อ มีพลังขึ้นมาจากการสวดสองเกิดพิติเพราเราสวดในโทนของสมาธินะจิตใจจดจ่อตั้งมั่นช่วยกันมันมีพลังก็โอ้สวดไปบางทีบางคนจะขนลุกขนพองเลยอาตมาก็เคยเป็นสวดมันครั้งแรกนะอาตมาสวดที่วัดผาราดนะท่านอาจารย์สมใจนะกัลยาณมิตรหรือว่าครูบาอาจารย์คนแรกของอาตมาเนะี่ยท่านนําทํำบัดสวดมนต์กันไอเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าสวดมนต์มันเป็นอย่างเนี้นะ มีแต่ปาปาปาป า, ป, าป่วกัไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้พูดอะไรกันส่วนอะไรกันแต่เอ๊ะนโมตัสสะเงี้ยขอนอบน้อมโอ้มันแปลมัรู้เลยนะทันทีทันใดด้วที่ชอบมากที่สุดเลยนะนะก็คือบทที่เรียกว่าอารตีตังกเมยยานาะมนตีการเขานาะคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะชอบชอบ 30ปีที่ผ่านมาชอบบทนนีะ้เอามาใช้ตลอดเลยคาว่าคิดในอดีตไม่ใช่ไปคิดนะคิดนะแต่ว่าอย่าคิดด้วยอะไรถ้าคิดด้วยอะไรเอาวรลกาแสดงเป็นทุกข์ น, นะแต่ถ้าคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญามีสติรล ะ, ละลึกเอาอาดีตมาใช้ก็เป็นปัญญาทําหน้าที่การงานก็คือความรู้เก่าๆเท่านั้นละ่ะไม่มีใครหรอกที่ไม่คิดถึงอดีตนะโกหกประนามหรือว่าประนามจรินภาษาบาลีไปว่า สรรเสริญนะ่ยไม่ใช่ว่าแปลว่าทําให้เสียหายนะก็ว่าปันามตรงนี้ก็หมายถึงว่าสารรเสริญเลยว่าลักษณะของมีสติระลึกเอ า, อาดีตมาใช้นะ่ะมันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความรู้ความดีความงามอย่างเงี้ยเมื่อเราเห็นอย่างงี้มันคือความจริงนั่นแหละหลายคนบอกอย่าไปอดีตนะอย่าไปอดีตนะไอ้ที่พูดนะนะก็คือภาษาในอดีตทั้งนั้นนหะจําได้มัเมืนะ่อสมัยไหนตั้งแต่หัดพูดได้นั่นนะ สัญญาจำได้แล้วก็ใช้พูดอย่างนั้นไม่ใช่อดีตหรือไงถ้ามามองอาจจะเป็นขันาบ้านอาจจะเป็นขันาบ้านไม่รู้แต่ว่าอาเห็นอย่างนั้นอนาคตเหมือนกันบอกว่าเอออย่าเอามาใช้ในอนาคตเนะีไม่ควรคิดถึงด้วยความกังวลเอา้ากการงานนะ่ะจะทำเดียอะไรสักอย่างนะอย่าง้ำลังจะปูกกระเบื้องก็เห็นแล้วว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงก็รู้อนาคตแ ล, ล้วล่ะอย่างเงี้ยเราจะต้องทํำยังไงอย่างเงี้ยก็นั่นแหะ ดึงอนาคตมาใช้ให้เกิดความดีความงามแล้วมันก็เป็นความจริงด้วยอย่างเงี้ยในขณะที่เราหยิบมาใช้มันคือความจริงอะไรเนี่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่มันไม่ใช่หมายถึงว่าแหมอดีก็ไม่เอาอนาคตก็ไม่เอาก็เป็นแค่คําพูดนะรู้ไหมมันคืออะไรอย่างเงี้ยมันได้ใช้กันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าใช้ด้วยการมีสติอย่างเงี้ยปัจจุบันเราก็ยึดไม่ได้ก็ต้องยึดแล้วก็ผ่านอย่างเงี้ยวัตย์ยึดปัจจุบันยึดปัจจุบันยึดปีบันไทยสุดก็เป็นส ม, มถไทยในปัจจุบันน่ะนะ มันจะวางได้ยังไงปัญญานะมันจะวางรู้ได้ยังไงนะท้ายส่วจะว่างได้ยังไงนะี่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่โอ้โหละเอียดอ่อนนะในความรู้สึกของตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันจึงเหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุเหนือผลนะตแต่ละคนก็ต้องกลับมาดูตัวเองกันละนะเราก็จะสร้างสังคมรักษาสังคมโดยระบบอะไรบางอย่างนะแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเหนือนั้นคือความ้นทุกข์จริงๆในตัวเรา เนืเหตุเนือ้อมันมีอยู่เนือกุศลเนกุศลมันก็มีแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือนะพยายามเกี่ยวข้องกันรับช่วยทาดีชําระจิตนะเราก็พยายามทํากันอยูนะ่ลดละเลิกในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาทําให้ติดหนึบในะสิ่งหลายอย่างมันมีอยู่เราก็ไม่ถือว่าเสียหายนะเพราะนั่นแหละคือประสบการณ์ที่มันจะสอนตอนละท้ายสุดก็คือเลือกเป็นนะเราจะเลือกทํำยังไงกัน ความรู <urt Dante> plets, ้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมาให้เรารู้สึกตัวมันหลงก็รู้มันลูก็รู้เนี่ยตัวเนี้ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละความรู้ก็ต้องรู้เวลามันหลงไปก็ต้องรู้จนทางวันเหนือรู้เหนือหลงไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรมันก็มีเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราทุกคนทุกท่าน ก็เชื่อว่ากําลังเดินทางแล้วก็ดีฝ่าที่ผ่านมาตลอดมันเป็นพัฒนาการของความรู้สึกตัวที่มันพาเดินทางอย่างเงี้ยเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลยิ่งิงขึ้นไปอะไรที่มันไม่รู้ก็แจ้งขึ้นมาอะไรที่แจ้งแล้วนะมันก็ละเอียดละเอียดอ่อนกลายเป็นเรื่องที่ท้ายสุดก็คือหายสงสัยไปเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเข้าสู่ของกระแสถ้าสมมุติให้ก็คือโสดาบันอย่างเงี้ย ให้สงสัยวิจิกิจ่าไม่สงสัยเลยกาลังทําอะไรเพื่ออะไรกันนะไม่สงสัยเลยทําไมต้องเคลื่อนแล้วทําไมไม่ต้องเคลื่อนทำไมต้องในรูปแบบนอกรูปแบบไม่สงสัยเลยนะทำไมก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สงสัยเลยเพราะก็เป็นเขาอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยเราก็เป็นเราอย่างนี้แหละสัจจกความจริงมันก็มีอยู่ก็อยู่ด้วยปัญญากันมันก็เอาตัวรอดกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็เลยเหมือนกับเพื่อนกับกาลยานมิตรที่ พากันตักเตือนกันชี้โทษกันแล้วก็ท้ายสุดก็คือน้อมรับกันลึกๆแล้วก็เราก็เหมือนกับว่า <c oughs> เป็นคน <c oughs> คนเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำกันและโดยเพราะการที่มารวมตัวกันอยู่ที่วัดป่าสุโตก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะว่ามีหลวงพ่อเขียนสุวรรณโนที่ท่านมีมุมธรรมสูงคุณธรรมสูงที่เกิดจากการปฏิบัติ จริงรู้จริงนะเราก็มีศรัทธาต่อท่านอย่างเงี้ยเราก็เลยนะอบอุ่นใจนะแต่ละวันแต่ละขณะที่นะได้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสสัมพันธ์หรือว่าขณะที่ห่างนะรับหลังก็ตามทั้งต่อหน้าและรับหลังนะทุกครั้งที่เราลึกนะถึงประสงค์รูปหนึ่งก็คื อ, อสังคานุสติ ก็เชื่อว่าสติน้อยๆก็ทำให้เราเกิดสติใหญ่ๆขึ้นมาคือกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวตรงนั้นนะก็จึงเป็นเรื่องเรื่องที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะใช้สิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นการทาวัดสรวจมันฟังเทศฟังธรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันทั้งวันนะก็กลายเป็นเรื่องการสร้างสรรค์มรรคผลนิพพานให้มันเดินสั้นลงสั้นลงจนทั้ง ก่อนตายก็คงจะได้พบเจอกันโดยตัวนากการทุกท่านทุกคนกราบพระพรอบกัน